คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระบรมศ า, ศาสดาผู้มีปัญญาอันสูงส่งที่จะนำพาสารโลกให้ไปสู่ที่ดีที่ชอบที่สุขที่เจริญการศึกษาคําสั่งคําสอนจะได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็ควรสร้างกันขึ้นมาทำกันขึ้นมาส่วนที่ไม่ดีก็ควรที่จะตัดควรจะละไปแล้วผลก็จะได้แต่ผลที่ดีคือความสุขความเจริญวันนี้เราก็จะมาฟังเรื่องของการหาทรัพย์กัน ทรัพย์ที่มีอยู่ในโลกนี้ก็มีอยู่สองชนิดด้วยกันคือทรัพย์ภายนอกกับทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกหมายถึงทรัพย์ที่อยู่นอกใจคือทรัพย์ทางร่างกายทรัพย์ที่เราหาได้ด้วยการใช้ร่างกายทํางานทําการตา่างๆเพื่อที่เราจะได้ทรัพย์มา ใช้ใจ่ายหาความสุขให้กับเราทรัพย์ภายนอกนี้เราจะเรียกว่าโลกธรรมก็ได้คือลาบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกมิ้นไกทรัพยภายนอกนี้เป็นทรัพย์ชั่วคราวคือจะอยู่กับร่างกายไปจนกว่าร่างกายจะสิ้นสุดลง พอร่างกายตายไปใจก็จะไม่สามารถใช้ทรัพย์ภายในได้ต่อไปส่วนทรัพย์ที่สองคือทรัพย์ภายในนี้คือทรัพย์ที่ใจจะสร้างขึ้นมาให้อยู่ภายในใจของตนและจะไปกับใจต่อไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไ ป, ไปแล้ว ทรัพย์ภายในจึงเป็นทรัพย์ที่มีความสำคัญกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ชั่วคราวพอร่างกายสิ้นสุดลงทรัพย์ภายนอกก็สิ้นสุดตามไปใจไม่สามารถเอาทรัพย์ภายนอกติดตัวไปได้แต่ทรัพย์ภายในนี้ ใจสามารถที่จะเอาตอบเอาติดตัวไปได้และทรัพย์ภายในนี้จะเป็นตัวที่จะชี้บอกหรือตัวที่จะพาให้ไปสู่พบต่อไปในภายภาคหน้าร่างกายตายแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจอยู่ต่อไปและใจนี้แหละที่จะต้องไปผุดไปเกิดต่อไป หรือถ้าได้สร้างทรัพย์อันวิเศษอันสูงสุดทรัพย์ภายในที่สูงสุดก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปพ <Okay. S 1> ระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเราขวนขวายมาสร้างทรัพย์ภายในกันทรัพย์ภายนอกนี้หาเพียงพอประมาณก็พอ พอประมาณในการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขก็คือให้มีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายเช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแต่ก็ไม่ให้เสียเวลามากเกินไป ไม่ให้ทุ่มเทมากเกินไปกับการหาปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายทงสอนให้หาแบบมากน้อยสันโดษเพราะว่าถ้าได้มากเกินความต้องการของร่างกายก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้เกิดความสุขมากขึ้นจะเสียเวลาไปปปล่าๆเพราะว่าจะต้องเอาเวลาที่เหลือจากการเลี้ยงดูร่างกายนี้ มาให้กับการสร้างทรัพย์ภายในต่อไปเพราะทรัพย์ภายในนี้จะเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขความเจริญกับใจและกำจัดความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับใจให้ใจอยู่อย่างมีความสุขมีความเจริญไปเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของทรัพย์ภายในก็คือการได้โลคุตระทรัพย์ทรัพย์ภายในนี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือโลกีทรัพย์กับโลคุตระทรัพย์โลกีทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่ยังเสื่อมได้ได้มาแล้ว พอใช้หมดไปมันก็เสื่อมมันก็หมดไปพอทรัพย์ภายในหมดก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาสร้างทรัพย์ภายในใหม่แต่ถ้าได้เข้าสู่ระดับโลกุตรทรัพย์คือทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมก็จะไม่ต้องกลับมาถ้าได้ทรัพย์โลกุตระทรัพย์ขั้นสูงสุดคือขั้นพันธิพา แต่ถ้ายังอยู่ในขั้นของพระอริยะท่านสามขั้นคือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีก็ยังต้องกลับมาเกิดแต่ไม่เกินเจดชาติกันอย่างมากสําหรับขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีก็กลับมาเกิดเพียงชาติเดียวคือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ส่วนขั้นที่สามนี้ก็จะไปเกิดเป็นผมแล้วก็จะบรรลุถึงพระนิพพานตามลำดับต่อไปเมื่อถึงขั้นพระนิพพานแล้วก็สิ้นสุดเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีวันปรากฏ้นิทต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างท้าวอน ใก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาอันนี้คือทรัพย์ภายในที่พระเจ้าทร ง, งสอนให้ชาวพุทธเรามาสร้างกันทรัพย์ภายนอกก็ให้มีพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงดูล่างถ่ายได้ไม่ต้องใช้อย่าให้เสียเวลามาก็นเกินไปถ้าอยากจะรู้ว่าความมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่นี้ เป็นอย่างไรเราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง <c oughs> พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงสอนให้พระหาทรัพย์ภายนอกแบบมากน้อยสันโดษก็คืออาหารก็ให้หาจากการบินทบาทยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ยินดี แล้วก็ได้มาแล้วก็เวลาบริโภคให้บอยโภกเท่าที่จําเป็นต่อความต้องการของร่างกายคือไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปให้พอประมาณนี่คือลักษณะของความมากน้อยเช่นทรงสอนให้พระภิกษุฉันฉันอาหารวันละหนึ่งครั้งฉันวันละหนึ่งมื้อ ก็พอเพียงต่อการยังดูร่างกายไปตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงคือหนึ่งวันกัหนึ่งคืนรับประทานวันนี้แล้วก็รับประทานเพียงครั้งเดียวเสร็จแล้วก็ไม่รับประทานอะไรอีกจนกว่าจะถึงวันรุ่งขึ้นพอสว่างก็ออกบินทบาทอาหารก็ไม่ไปชู่จี้จุกจิกไปเรื่องว่า ไปขอว่าต้องขอเป็นอาหารชนิดนั้นขอเป็นอาหารชนิดนี้ผู้ให้ต้องการจะให้อะไรผู้รับก็ยินดีจะรับตามความศรัทธาของผู้ให้ไปแล้วเมื่อได้อาหารมาก็เอามาแบ่งกันในระหว่างพระสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ฉันรรับประทานกันเพียงวันละหนึ่งครั้งหนึ่งมื้อ การรับประทานก็รับประทานแบบไม่ยุ่งยากคือใช้ภาชนะเดียวใช้ใช้บาตรเป็นภาชนะใส่อาหารจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากกับการหาจานหาชามหาช้อนหาอะไรต่างๆอาหารทุกชนิดมันก็จะต้องเข้าไปรวมกันอยู่ในท้องอยู่ดีจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแยกใส่ภาชนะต่างๆเช่น ของหวานไว้จานหนึ่งของขาวไว้จานหนึ่งของเผ็ดไว้จานหนึงอะไรเป็นต้นมีอะไรที่จะรับประทานก็ให้ใส่เข้าไปในบาทแล้วก็ฉันเพื่อให้บำบัดความหิวของร่างกายไม่ได้ฉันเพื่อให้เกิดความสุขจากการได้รับประทานอาหารรสชาติต่างๆเพราะการ ไปฉันแบบนั้นเป็นถือเป็นการไปติดความสุขทางโลกซึ่งจะทำให้จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่ให้ฉันด้วยความด้วยกรารมาฉันทะคือความยินดีในรูปสีนังกิจลรสของอาหารให้ฉันแบบรับประทานยาฉันยาฉัน ให้เอาเข้าปากเคียเค้ยวเคี้ยวคื น, ค, นคืนเข้าไปแล้วก็จบพอให้ร่างกายอิม่มดับความหิวได้ก็พอจะเป็นอาหารแบบไหนชนิดไหนก็ถ้าไม่ไม่ทำให้เจ็บไข้ได้ปวดก็ฉันได้ไม่จู้จี้จุกจิกยินดีตามมีตามเกิดเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปสรรหาอาหารชนิดต่างๆมามาฉันกัน การให้อยู่แบบเรียบง่ายให้เสียเวลาให้น้อยที่สุดกับการเลี้ยงดูร่างกายวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด <c oughs> ทํางานวันละประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินบินสบายวันละชั่วโมงหนึ่งก็ได้อาหารมาพอเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้ <c oughs> แล้วก็ให้ใช้ภาชนะเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการจัด จัดภาชนะต่างๆมาเตรียมใส่อาหารต่างๆถ้าหลังจากที่รับประทานเสร็จก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้กับการที่จะมาล้างถ้วยล้างชามอีกบาทใบเดียวนี้พอแล้วมักน้อยขามักน้อยในภาชนะของการใส่อาหารใช้บาตใบเดียวแม้แต่แม้แต่ช้อนช่านก็ไม่นิยมใช้ท่านใช้มือใช้มือหยิบอาหารจากในบาตเข้ามารับประทาน อ น, นี่คือลักษณะของการที่จะไม่ให้เสียเวลามากไปกับการที่จะหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนผ้าคือเครื่องนุ่งห่มผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มก็ให้ไปหาจากผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าคือผ้าหอ่อศพเรี่กว่าผ้าบางสกุลสมัยโบราณนี่เขานิยมที่จะเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าชา้า ไม่เผาไม่ฝังปล่อยให้เปื่อยให้เน่าไปให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก็เอ า, าพมามัดอศพแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้าปล่อยให้เน่าเปื่อยไปนึืออาจจะมีแมลงแมลงสัตว์กัดต่อนือสัตว์ชนิดต่างๆมากัดมาแทะไปอพอร่างกายเน่าสลายหมดไปแล้วผ้าก็ยัง ยังดีอยู่พวกนักบวชสมัยก่อนก็ไม่รบกวนชาวบ้านไม่ไปขอให้ชาวบ้านถวายผ้าเ<ม>พราะไม่ต้องการที่จะเป็นภาระกับใครเพียง<ม>เป็นภาระเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องของอาหาร<ม>ให้ให้ให้ชาวบ้านได้ทำบุญให้อาหารกับนักบวชแต่เรื่องผ้านี้สามารถช่วยตัวเองได้ ก็เลยไม่ต้องการที่จะไปรบกวนชาวบ้านก็ไปเก็บผ้าที่ทิ้งอยู่ตามป่าชา้าเรียกว่าผ้าบางสกุลสมัยนี้เราก็แปลว่าผ้าป่านี่ความจริงมันตกคําว่าช้าไปชื่อเต็มมันต้องเป็นผ้าป่าชา้าผ้าที่เก็บมาจากป่าชา้าแต่เราก็พูดกันสั้นๆว่าเป็นผ้าป่าไปผ้าป่าก็เป็นผ้าเนี่ย ที่เป็นผ้าผืนเดียวยังไม่ได้ตัดได้เย็บเป็นจีวร<ม>เป็นผ้าขาว<ม><ม>พอผ้าพอผ้าต้องการที่จะมีตัดเย็บจีวร<ม>ก็ไปเก็บผ้าผ้าป่าในป่าช้ามาซักมาย้อมมาตัดมาเย็บเป็นจีวร<ม><ม>แล้วก็ใช้จีวรไม่มากเพียงหนึ่งชุดก็พอคือสามผืนผ้าไตารม่กว่าสามผืน ผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าหม่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวสองชั้นอีกหนึ<ม>่งผืนเป็นครบชุดเรียกว่าผ้าไตาผ้าไตาจีวอน<ม>ผ้าสบงผ้าผ้าจีวอนแล้วก็ผ้าสังคติ<ม> 3ามผืนก็พอที่จะใช้สำหรับการดูแลร่างกายในเรื่องที่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มได้ มีแค่หนึ่งชุดแล้วก็สบายไม่ต้องมาคอยคอยดูแลราาักษาเสื้อผ้าไม่ต้องคอยหาที่เก็บหาตู้หาอะไรใส่ผ้าสมัยก่อนท่านเป็นผ้าป่าท่านไม่มีกุฏิไม่มีที่อยู่อาศัยที่มิชชั่นท่านนอกจะอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำอยู่ตามโคนไม้ท่านก็เลยไม่ต้องการที่จะมีสมบัติใหมาเป็นภาระ ล, ล็อกงลัง เพราะว่ามันจะเป็นการสร้างภาระและสร้างเสียเวลากับการที่จะต้องมาคอยดูแลทรัพย์สมบัติต่างๆจะทําให้เวลาที่จะมาสร้างทรัพย์ภายในนี้น้อยลงไปนั่นเองให้ทุ่มเทเวลาให้มากที่สุดให้กับการสร้างทรัพย์ภายในเพราะว่าเวลาของแต่ละคนก็ไม่มีใครแน่รู้แน่นอนว่าจะอยู่กันไปถึงเมื่อไหรจะตายเมื่อไหร ฉะนั้นท่านต้องการที่จะรีบเร่งสร้างทรัพย์ภายในให้มากที่สุดให้ได้ก่อนที่ร่างกายจะตายไป<ม>ก็เลยต้องอยู่แบบมักน้อยสันโดษอาหารก็มักน้อยสันโดษเครื่องนู่มห่มก็มักน้อยสันโดษที่อยู่อาศัยท่านก็มักจะไม่สร้างถาวรวัตถุต่างๆท่านก็อาจจะสร้างเป็นเพิงถ้าไปอยู่ในป่า ก็เอาไม้เอาเอากิ่งไม้มาทําเป็นที่มุงที่บงังพอที่จะหลบแดดหลบฝนได้ก็พ อ, อหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ไปอยู่ตามเงื้อผาตามถ้ำที่หลบแดดหลบฝนได้นี่ก็คือที่อยู่อาศัยของผู้ที่แสวงหาทรัพย์ภายในโดยเฉพาะทรัพย์ภายในที่สูงสุดคือพระนิพพานต้องหากันต้องอยู่กันแบบ มากน้อยสันเดดให้ใช้เวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายให้น้อยที่สุดส่วนยารักษาโรคท่านเคยรักษาตามแพทย์แผนโบราณก็ให้ดื่มยาดองน้ำมูดมีน้ำมูดแล้วก็ดองเอาพวกสมอมามาดองด้วยน้ำมูดของตัวเองและเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่ม ยืมยาดองน้ำมูดหายก็หายไม่หายก็ตายท่านอยู่กับความตายท่านยินท่านไม่กลัวความตายท่านไม่กลัวความเจ็บเพราะท่านยอมรับว่าเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นหล็กเลี่ยงไม่ได้ดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ดูแลไม่ได้จะตายก็ต้องยอมรับกับสภาพไปการยอมนี้จะทาให้ใจไม่ทุกข์ ตอบความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้คือวิธีการเลี้ยงดูร่างกายแบบมักน้อยสัมเดิคือไม่ให้ยุ่งยากวุ่นวายไม่ให้เสียเวลามากไม่ให้ใช้ทรัพยากรมากเพราะถ้าใช้ทรัพยากรมากก็ต้องใช้เวลาไปหาทรัพยามาไปทํางานทําการหาเงินหาทองมา เพื่อมาใช้ใจ่ายเลี้ยงดูร่างกายเวลาที่จะมาสร้างทรัพย์ภายในก็จะมีน้อยมากโดยเฉพาะทรัพย์ภายในระดับโลกุตละทรัพย์ต้องใช้เวลาแทบว่าทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่าได้ถึงจะสามารถเข้าถึงโลกุตละทรัพย์ได้แต่ส่วนส่วนโลกิาายทรัพย์นี้ในเบื้องต้นก็เป็นของที่ไม่ยากเย็นมากนัก ทรัพย์ที่ทรัพภายในนี้ก็มีตั้งแต่ระดับต่ำขึ้นไปสู่ระดับสูงระดับระดับต่ำที่สุดก็คือมนุษย์สัทรัพย์การได้มาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเพราะการเป็นเกิดเป็นมนุษย์นี้มีความสุขมากกว่าการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองหรือไปเป็นด ว, วงวิญญาณที่ต้องยังติดอยู่ในอบายทั้งสี่ คือเปลอกสูรละกายนั้นนรอกอันนั้นเป็นไม่ได้ถือว่าเป็นทรัพย์ถือว่าเป็นหนี้คนที่สร้างนี้สร้างนี้ภายในก็จะต้องไปใช้นี้ในอบายทั้งสี่ถ้าไม่อยากจะไปสร้างนี้ไม่อยากจะไปใช้นี้เนะีก็อย่าสร้างนี้วิธีการสร้างนี้ทําอย่างไรก็คือการทําบาปนี่การทําบาป เช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติถิตเพณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาต่างๆของมลนาต่างๆที่ทำให้ขาดสติเมื่อไม่มีสติก็จะไม่สามารถระ ง, งับความคิดการพูดและการการะทำบาปได้นั่นเองเวลาคิดจะทำบาปก็จะทำทันทีเวลาพูด เวลาคิดจะพูดบาปก็จะพูดทันทีแต่ถ้ามีสติก็รู้สึกตัวก็จะยับยั้งไว้ก่อนได้นี่คือการสร้างนี่ไม่ใช่เป็นการสร้างทรัพย์ถ้าไม่อยากจะต้องไปเกิดในอบายไปใช้นี่ในอบายสี่คือไปเป็นเดลาชะานไปเป็นเปรตเป็นอนุวรกายหรือไปนรก จำเป็นที่จะต้องรักษาศีลห้าให้ได้วิธีรักษามนุษย์ยทรั์ก็คือด้วยการรักษาสีลห้านี่ตอนนี้เราเป็นมนุษย์กันตอนที่เรามาเกิดเราเป็นมนุษย์กันแต่เรารักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้ได้หรือไม่มก็อยู่ที่ว่าเรารักษาศี่ห้าได้หรือไม่ถ้าเรารักษาศีลห้าไม่ได้คือขาดข้อใดข้อหนึ่งไป เราก็จะเริ่มสร้างนี่ขึ้นมาภายในใจความเป็นมนุษย์ของเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆพอตายไปนี่เราก็ต้องไปใช้นี่ก่อนไปเกิดนิยบายก่อนไปเป็นสัตว์ในราชาบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นเนื้อสุรกายบ้างไปนรกบ้างก็อยู่กับบาปสาเหตุของการทำบาปของเราว่าเราทำด้วยอะไร ถ้าเราทำด้วยความไม่รู้คิดว่าการทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพถ้าเราทำบาปเพื่อเลี้ยงชีพเราก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าเราทำบาปด้วยความโลภเราก็จะไปเป็นเปรตถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวเราก็จะไปเป็นอสูลกายถ้าเราทำบาปด้วยความอาฆาตขยบาะเครียดแค้นจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันนี เราก็จะไปนรกอ น, นี้คือการสร้างหนี้สมมติตอนนี้ถ้าเกิดเราตายไปแล้วเราได้ทําบาปไว้มากกว่าที่เราได้ทําบุญบาปนี้แหละจะเป็นตัวที่จะดึงดวงวิญญาณของเราให้ไปติดคุกติดตารางไปใช้หนี้ในอบายทั้งสี่ขึ้นอยู่กับการทําบาปของเราว่าทําด้วยเหตุอันใดทํามากน้อยเพียงไร ทำมากก็จะไปติดคุกนานทำน้อยก็จะไปติดคุกไม่นานแต่ต้องไปน่ๆนี่คือกฎแห่งกรรมที่ไม่มีใครจะมาขัดขวางได้จะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไม่มีไม่เป็นเหตุผลที่จะมายับยั้งกรรมได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็จะไม่มีเหตุเป็นเหตุเป็นผลที่จะมายับยั้งผลของกรรมได้ถ้าตราบใดมีการทำกรรมขึ้นมาแล้ว ก็จะต้องเกิดผลตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเรายังอยากที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราอยู่ต่อไปหมายถึงหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้ว<ม>เราก็อยากทำบาปอี<ม>้พอถ้าเราตายไปใจไม่มีบาปก็จะไม่มีหนี้ที่ต้องไปใช้ต้องไปรับใช้ในอบาย<ม>ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลย หลังจากตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อันนี้เป็นทรัพย์ระดับที่หนึ่งคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทรัพย์ภายในทรัพย์ระดับที่สองที่สูงกว่าระดับของมนุษย์ที่มีความสุขกว่าของมนุษย์ก็คือเทวทรัพย์การที่เราจะไปไปสู่การไปเป็นเทพได้ไปอยู่การที่เราจะได้เทวทรัพย์มา น, นี้ต้องทําอย่างไร ก็คือหนึ่งต้องรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ก็คือต้องไม่ต้องรักษาศีลห้าให้ได้แล้วก็เพิ่มด้วยการทำบุญทาทานช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ให้ความสุขกับคนนั้นคนนี้ด้วยการให้ข้าวของเงินทองอะไรต่างๆไปอันนี้เรียกว่าเป็นการทำทานการให้เป็นการสร้างเทวทรัพย์ขึ้นมาเวลาที่ร่างกายตายไปถ้าในใจ มีบุญที่เกิดจากการทําทานมากกว่าบาปที่ได้ทำเอาไว้บุญก็จะดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ชั้นที่สองไปสู่สวรรค์ไปสู่ทรัพย์ภายในชั้นที่สองก็คือการได้ไปเกิดเป็นเทพปอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพกันนี่ก็คือถ้ารักษาศีลห้าได้ทําแต่บุญอันนี้ก็จะไม่มีบาปมาคอยดึงใจให้ไปใช้นี่มีแต่บุญ ที่จะดึงใจแลดึงดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในสวรรค์ให้ไปเป็นเทพกันอันนี้คือทรัพย์ชั้นที่สองที่มีความสุขมากกว่าทรัพย์ชั้นที่หนึ่งคือทรัพย์ของมนุษย์การเป็นมนุษย์นี้มีความสุขน้อยกว่าการได้เป็นเทวดาแล้วยังมีทรัพย์ชั้นที่สามที่อยู่ในโลกียทรัพย์นี้คือพรหมทรมัพย์ พรหมทรมัพย์ก็คือการได้ไปเกิดเป็นเป็นพรหมไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหม mm hmm. การที่จะสร้างพรหมทรัพย์ขึ้นมานี้ mm hmm. ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนการรักษาศีลห mm ้า hmm. ไปเป็นการรักษาศีลแปดเพราะว่าการเป็นพรหมนี้จะยุติการหาความสุขทางการมมงคลห้า mm hmm. ทางรูปเสียงกลิ mm ่นโน้นพถะจะเปลี่ยนวิธีหาความสุข จากการหาความสุขจากรูปเสียงจิตลดโวดตาพามาเป็นการหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการเจริญสมถะภาวนาทําใจให้นิ่งให้สงบด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้แล้วเวลาที่มีเวลาว่างไม่ต้องทําอะไรก็ให้นั่งหลับตา ใช้สติควบคุมความคิดหยุดความคิดทําใจให้นิ่งพอใจนิ่งใจสงบก็ใจก็เข้าสู่สวรรค์ชั้นพรมไปใจก็เข้าสู่รูปฌานขั้นต่างๆไปรูปฌานและอารูปฌานตามลําดับตามกําลังของสติที่ได้สร้างเอาไว้ถ้ามีสติมากก็สามารถเข้าฌานที่สูงขึ้นไปมากขึ้นได้ ได้ความสุขมากขึ้นไปจิตจะยิ่งสงบมากขึ้นไปเช่นชาญรูปฌานขั้นที่1ก็จะมีความสุขน้อยกว่ารูปรูปฌานขั้นที่สองขั้นที่สองก็น้อยกว่าขั้นที่3าขั้นที่สามก็น้อยกว่าขั้นที่4แล้วจากขั้นที่4ก็จะจากขั้นรูปฌานขั้นที่4ก็จะเข้าไปสู่ขั้นอรูปฌานอีกส่ขั้นด้วยกัน ความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความนิ่งความละเอียดความสงบของจิตก็จะเพียงเพิ่มมากขึ้นตามตางกำลังของสติที่ได้ฝึกฝนได้สร้างเอาไว้ในขณะที่ไม่ได้นั่งสมาธิตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องคอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาด้วยการใช้อุบายของกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นใช้พุทธานุสติก็คือการระลึกรู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ให้ใจรู้อยู่กับคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะไม่สามารถคิดได้ถ้าเรามีคำบริกรรมพุโทโธอยู่ในใจ<ม>แล้วเวลามานั่งสมาธิก็จะสามารถที่จะทำใจให้สงบให้นิ่งได้<ม> น, นี้ก็เป็นทรัพย์ภายในชนิดที่สามคือพรหมทรัพย์ต้อง ต้องหาด้วยการรักษาสิ่แปลกแล้วก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิตามสถานที่สงบสงัดวิเวกต่างๆเพราะถ้าไปฝึกในสถานที่ที่มีเสียงเสียงอึกประทึกครุกครองมีผู้คนทุกผ์านมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาย้าโยนใจจะทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้ ใจจะเกิดความอยากเกิดความวันทะทําให้ใจต้องดิ้ น, นทุรนทําให้เกิดความฟุ้งซ่า น, นต่างๆขึ้นมามผู้ที่ต้องการที่จะแสวงหาความสุขจากการฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้ได้พรมมท ร, รัพย์นี้ก็จําเป็นที่จะต้องไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกกายวิเวกจิตถึงจะวิเวกได้คำ ว, ว่าวิเวกก็คือสงบสงัด ปัสจากแสงสีเสียงหรือรูปเสียงกิจรถกฎถะพระชนิดต่างๆที่จะมาคอยทำให้ใจนี่เกิดความฟาุ้งซ่านเกิดทางวุ่นวายขึ้นมาผู้ปฏิบัติสติสมาธิจึงมกักต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาตามวัดป่าวัดเขากันที่ห่างไกลจากความเจริญทางด้านวัตถุ เพราะความเจริญทางด้านวัตถุก็คือความเจริญทางกรมการมคุนิานั่นเองทางรูปเสียงกลิ่นรสผละพระที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อการสร้างความสงบให้แก่จิตใจที่ไหนที่มีความเจริญทางวัตถุนี้มักจะเป็นที่เสื่อมในการเจริญของความสงบของใจยากต่อการทําใจให้สงบได้ต้องอยู่ในที่สงบสงัด อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงสัดพ<ม><ม>ระ บ, บุตรเจ้าก็ตัดสรู้ปฏิบัติธรรมในป่า<ม>เวลาทรงสแสดงธรรมก็ทรงสแสดงธรรมในป่าในเขาพระสาวกที่ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมก็บรรลุธรรมกันในป่าในเขามมมไม่มีใครไปบรรลุธรรมกันในบ้านในเมืองกันเพราะว่าบ้านเมืองนี้ไม่ได้เป็นที่เหมาะต่อการเพาะปลูก ทำภายในใจโดยเฉพาะโดยเฉพาะพรมทรัพย์หรืออริยทรัพย์จาเป็นที่จะต้องมีที่สงบสงบดังนัึงต้องถือศีลแปดแล้วก็ไปปีกเวกแล้วก็หมั่นเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับตลับกับการนั่งสมาธิมีเวลานั่งได้เมื่อายก็นั่งนั่งแล้วพอนั่งไม่ไหวแล้ว ก็ลุกขึ้นมาเจริญสติต่อด้วยการเดินจงกรมถ้าไม่มีงานอะไรทาถ้ามีงานอะไรก็ต้องทำก็ต้องมีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่อย่าปล่อยให้ใจทางานไปคิดไปพร้อมๆกันให้ทาอย่างเดียวเดินไม่ให้คิดอะไร mm hmm. แล้วพอไม่มีธุระที่อะไรจะต้องทำก็กลับมานั่งสมาธิใหม่นั่งจนกว่าจะนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทน นักปฏิบัตินี้จะทําแต่งานภาวนางานเจริญสติทั้งวันทั้งคืนถึงจะสามารถเข้าสู่ความสงบของรูปฌานหรืออรูปฌานได้ถ้าเข้าสู่ความสงบของรูปฌานก็จะได้พรหมรัพย์ระดับรูปประมถ้าเข้าสู่ความสงบของอรูปฌานได้ก็จะได้พรหมรัพย์ของระดับอรูปประพรม ทรัพเหล่านี้ตั้งแต่มนุษยทรัพย์เทวทรัพย์และพรหมทรัพย์นี้ยังถือว่าเป็นทรัพย์โลกยทรัพย์อยู่คําว่าโลกยทรัพย์ก็คือเป็นทรัพที่ยังทําให้ต้องติดอยู่กับการมากลับมาเกิดในในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าทรัพเหล่านี้เป็นทรัพยโชคข่าวหลังจากที่เราฝึกสตินั่งสมาธิสะสมไว้ในใจ เวลาเราตายไปเราก็จะไปอยู่บนสวรรค์ชั้นผรมแล้วเราก็จะเสดบุญที่ได้จากจากการทำใจให้สงบด้วยสตินี้ไปจนกว่ากำลังของสติที่ทำใจให้สงบนี้อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงกิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้ตายด้วยอำนาจของสติก็จะดึงให้ใจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาสร้าง ทับภายในใหม่ใครใครใครที่เคยตอนที่เป็นมนุษย์เคยเคยปฏิบัติอะไรก็มักจะกลับมาปฏิบัติอย่างนั้นถ้าเคยทําบุญทําทานรักษาศีลห้าเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะกลับมาทําทานรักษาศีลห้าต่อไปใครที่เคยรักษาศีลแปดฝึกสมาธิก็เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมักจะไป ถือศีลแปะหรือไปบวชกันแล้วก็ไปฝึกสติฝึกสมาธิกันเพราะอันนี้มันจะฝังเป็นนิสัยแต่แต่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะทรัพย์เหล่านี้ยังเป็นทรัพย์ที่อยู่ในระดับโลกียทรัพย์ยังมีเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเรียกว่าอยู่ยังอยู่ภายใต้กฎของตายลับอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่นอกจากทรัพย์ ที่เป็นโลกียาทรัพนะครับทรัพภายในก็ยังมีอีกทรัพย์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโลกุตละทรัพย์โลกุตละก็คือทรัพย์ที่เหนือโลกเหนือโลกของโลกียาครับอันนี้เรียกว่าอริยทรัพกันะทรัพย์ของพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีแพระาอารหันทรัพย์เหล่านี้พอได้มาแล้วจะไม่เสื่อมเพราะว่าได้มาด้วยอํานาจของปัญญา ของปัญญาที่แก้ที่ไปแก้โมหะความหลงที่ไปสร้างกิเลสตัณหาให้ดึงจิตกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกในโลกของสังสารวัฏ mm hmm. พอมีปัญญาแล้วปัญญานี้ก็จะแก้ความหลงทำให้ไม่หลงให้ติดอยู่กับโลกียทรัพย์อีกต่อไปก mm hmm. ารที่จะได้โลกุตระทรัพย์นี้ต้องผ่านโลกิยทรัพย์ขั้น ขั้นพร้อมซย์ก่อนต้องได้พร้อมซย์ก่อน mm hmm. ก็คือได้ได้สติได้สมาธิ mm hmm. พ, อพอพอมีสติมีสมาธิก็จะมีพลังที่จะสู้กับความอยากได้สู้กับกิเลสตัณหาได้แล้วพอพิจารณาด้วยปัญญาก็เห็นว่าการทําตามความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข mm ์เ hmm. พราะสิ่งที่อยากได้นั้นมันวนวลเป็นอนิจจ์ mm hmm. เป็นของไม่เที่ยว เมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ย่อมทำให้ทุกเวลาที่มันเสื่อมลงไปเมื่อเห็นความเสื่อมของสิ่งที่อยากได้จะทำให้ใจต้องทุกข์กับมันในภายหลังก็ไม่อยากจะได้ขึ้นมาก็จะสามารถหยุดความอยากได้อันนี้หยุดด้วยปัญญาปัญญาก็มีอยู่เนี่ยมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดามันก็หยุดความอยากได้ขั้นหนึ่งได้ชั้นหนึ่ง แล้วขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคานีก็หยุดความอยากหรือทำให้ความอยากเบาบางลงไปอีกระดับหนึ่งขั้นที่สามก็ทำให้ความอยากน้อยลงไปดุจลงไปจนพอถึงขั้นที่สี่ความอยากต่างๆก็จะถูกทาลายไปหมดด้วยอำนาจของปัญญา ท, ทําโลกุทะทั้งสี่ขั้นนี้พอได้มาแล้วจะไม่เสื่ อ, อม สมมติว่าถ้าได้เป็นพระสาวกดาบางแล้วถ้าเกิดว่าจะต้องตายไปทันทีถ้าเกิดมีอุบัติเหตุมีโครคภัยไข้เจ็บทําให้ต้องตายไปใจก็จะไม่เสื่อมลงไปเป็นเป็นพรหมหรือเป็นเทวดาแต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพราะว่ายังไม่ได้ทําลายกิเลสที่ดึงให้ใจต้องมามีร่างกายอยู่คือการมาฉันทะยังไม่ได้ถูกทําลายอย่างสิ้นเชิง ก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะกลับมานะั้นไม่เกินเจ็ดชาติแต่ใจที่เป็นโสดาบันนี้ก็จะเป็นโสดาบันไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้ เ, เป็นปุตุชนนะการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้ถ้าได้ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิดาคามี ก็จะทำให้การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เหลืออยู่เพียงชาติเดียวหรื อ, อครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวรถ้าได้ขั้นที่สามคือขั้นของพระอนาคามีนี่ใจได้ทำลายกิเลสตัณหาที่จะดึงใจให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หมดสิ้นแล้ว คือการมาการมาฉันทะความยินดีในการเสพรูปเสียงกิเรสหรือการมาตัณหานี้ธาตุอาณาคามีนี้สามารถละได้หมดไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากการเป็นมนุษย์ติดต่อไปก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดในโลกของพรหมอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัติในขณะที่อยู่ในโลกของพรหมไป จนกิเลสหรือความอยากต่างๆได้ถูกทําลายหมดสิ้นไปจากใจก็จะได้เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์หรือพระพุทธเจ้าอยู่ในระดับเดียวกัน<ส>คือเป็นระดับที่สิ้นกิเลสซิ้นความอยากไม่มีความอยากไม่มีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงไม่มีกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหลงเหลืออยู่ในใจเรียกว่าเป็นจิต เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นดวงวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็น้านิพานขึ้นมาเ mm hmm. มื่อไม่มีอะไรเมื mm hmm. ม่อใจสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความอยาก mm hmm. ก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้ใจนี้ไปเกิดใหม่อีกต่อไป mm hmm. ก็จะยุติการเวียนว่าตายเกิดแก้ปัญหาคือความทุกข์ได้อย่างท้าวอเพราะว่าความทุกข์ จะหมดสิ้นไปได้ก็ต้องไม่มีการมาเกิดเท่านั้นถ้าตาบใดายังมีการมาเกิดอยู่ก็ยังจะต้องมีความทุกข์อยู่ก็จะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอยู่ทุกครั้งไปอันนี้ก็คือทรัพย์ภายในยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเหล่านี้ขวนขวายมาสร้างกันอย่าไปหลงกับทรัพย์ภายนอกเช่นรากยศดลเสญสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวแค่แค่แค่ตายเท่านั้นเองหือก่อนตายนี้เราก็จะเริ่มไม่สามารถหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิดล้นได้เวลาที่เราเป็นคนแก่คนแก่นี้ก็มักจะมีอาการบกพร่องทางตาหูจมูกลิ้นกายมัก จ, จะมีความทุกขเวทนามากกว่ามีความสุข เวทนาหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งทำให้มีทุกขเวทนามากขึ้นไปและเวลาที่ตายไปก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญที่ได้สะสมมาได้เลย<ม>ช่วงปลายของชีวิตก็จะเป็นช่วงที่มีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะสภาพของร่างกายนี้จะเต็มไปด้วยทุกขเวทนาอยู่ตลอดเวลา ง้อย่าไปหลงไหลกับการหาความสุขหาหาทรัพย์ภายนอกเกิโลกโลกธรรมรับยศสลรเสริญสุขให้มากเกินไปหาพอมาให้อยู่แบบสุขสบายไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนก็พอหาแบบเออแล้วก็เอาเวลามาสร้างทรัพย์ภายในดีกว่าเช่นถ้าเราทำงานทำการแล้วหาเงินหาทองมา แล้วเอามาเลียงดูร่างกายแล้วยังมีส่วนเหลืออยู่ส่วนเกินอยู่ก็อย่าไปเก็บเอาไว้หรืออย่าไปใช้หาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของสวยๆงามๆหรูหระแต่เป็นของที่ไม่จำเป็นจะต้องมีอย่าไปใช้เงินทองให้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ได้ประโยชน์เท่าที่ควรมันไม่ได้ทาให้เรามีทรัพย์ภายใน ที่เราจะได้อาศัยเป็นที่พึ่งของเราต่อไปเพราะดวงวิญญาณของเรายัางต้องไปต่อจะไปแบบเศรษฐีหรือไปแบบขอทานก็อยู่ที่ว่าเราเอาเงินเอาทองที่ส่วนเกินนี้มาใช้อย่างไรถ้าเอามาเงินเอาทองมาใช้กับของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆมันก็จะทำให้เราไม่มีการสะสมทรัพย์ภายในกันคือบุญกุศล แต่ถ้าเราเอาเงินเหล่านี้ไปทําบุญทําทานแทนเราก็เท่ากับเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทรัพย์ภายในคือทรัพย์ของเทพบุญนี้แล้วเราก็ต้องรักษาการไม่ให้จิตใจเราตกต่ําด้วยการรักษาศีลห้าให้ได้ทำมาหากินกต้องทํามาหากินด้วยอาชีพที่สุดจริตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพนี้ ไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงไม่ดื่มชวลายาเมาเป็นต้นต้องรักษาศีลห้าให้ได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้แล้วถ้าอยากจะไม่ให้ไปเกิดในอบายแล้วถ้าอยากจะให้ตายไปไปสวรรค์ก็ต้องทําบุญทําทานทําไมเราต้องทั้งทําบุญทำทานเพราะถ้าเราอยากจะไปสู่สวรรค์ที่สูงขึ้นไปสู่ สู่ทรัพที่สูงขึ้นคือโลกุตระทัพย์เราก็ต้องผ่านทัพย์ขั้นต่ําไปก่อนผ่านขั้นมนุษยทรัพย์ไปสู่ขั้นเทวทรัพย์จากขั้นเทวทรัพย์ไปสู่ขั้นพรหมทรัพย์แล้วจากขั้นโพรหมทัพย์เราถึงจะเข้าสู่ขั้นโลกุตระทรัพย์ได้ถึงเข้าสู่ทรัพย์ของพระอริยได้เข้าสู่ทรัพย์ของพระโสดาบันพระสกิราคามีพระอนาคามีและพระอนามัยได้ ถ้าเราเชื่อเรื่องทรัพย์ภายในเราก็ต้องเริ่มทำบุญกันตั้งแต่บัดนี้ไปเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบ ป, ปริญญาแล้วเราจะได้มีความรู้ที่เราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการทำมาหากินหาเงินหาทองให้กับเราได้เราก็ต้องเริ่มต้นไปเรียนหนังสือกันเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นประถม อย่านี้ก็ต้องเริ่มต้นชั้นชั้นอนุบาลไปเรียนชั้นอนุบาลแล้วก็พอจบอนุบาลก็จะได้ขึ้นสู่ชั้นประถมต่อไปจากชั้นประถมก็จะสู่ชั้นมัธยมชั้น อ, อุดมศึกษาตามลําดับต่อไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถเลือกเรียนได้ว่าพอเริ่มต้นเรียนก็ไปเรียนที่มหาลาัยเลยอันนี้เรายังไม่มีความสามารถพอเราต้องเริ่มต้นจากชั้นที่เราสามารถทําได้ก่อน ฉันฉันใดาการสร้างทรัพย์ภายในก็ฉันนั้นเบื้องต้นนี้เราก็ต้องรักษาทรัพย์รักษาทรัพย์มนุษย์ทรัพย์ไว้ให้ได้ก่อนทำมาหากินทําอะไรก็ตามต้องระมัดระวังอย่าไปทําผิดศีลห้าเป น, นั้นขาะแย่าทางานทําการทําไปอย่าทำด้วยอาชีพที่ทุจริตช่ชอกง<ม>รักทรัพย์ของผู้หรือ ค่าสัตว์ตัดชีวิตในอาชีพยอย่างนี้อันนี้จะทำให้เราขาดทุนเพราะเป็นการสร้างหนี้แทนที่จะอยู่แทนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะกลับไปเกิดเป็นเดรัจฉาน <c oughs> ไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือไปตกนรกก่อน <c oughs> ดังนั้น <c oughs> สิ่งแรกที่เราต้องทำกันก็คือรักษาสี่ห้ากันให้ดีพยายามรักษาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้เราซึ่ง เบื้องต้นนี้เราเขาอาจยังจะพังเถอะบ้างในบางครั้งบางเวลาก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนสอนใจคิดถึงผลที่จะตามมาเราต้องรู้มีกิริโอตปะกิริคือความละอายในการกระ ท, ทําบาปโอตปะคือความกลัวของผลของบาป ท, ที่จะตามมากลัวว่าจะต้องไปตกนรกกลัวว่าจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไปเป็นเปรมันก็จะทําให้เราไม่กล้าทําบาปกัน ทีเลก็คือความอายเพราะคนคนเรานี้จะดีหรือไม่ดีเราก็ดูอยู่ที่ว่ามีศีลหรือไม่มีศีลนั่นเองคนที่ไม่มีศีลนี่ก็เป็นคนที่น่าอับอายขายหน้าเขาเป็นเหมือนคนขี้เละขี้เหละทางด้านจิตใจไม่สวยไม่งามนั่นเองถ้าเราอยากจะสวยงามทางด้านจิตใจเราก็ต้องรักษาศีลถ้าเรามีความอายไม่อยากจะเป็นคนขี้เหละทางด้านจิตใจ เราก็จะตั้งพยายามรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์เมื่อรักษาศีนี้บริสุทธิ์ใจของเราก็เป็นใจที่สวยงามมีสงาาส่าราศีไม่อับอายขายหน้าชาว บ, บ้านเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองและผู้เขาก็จะมีความยินดียกย่องสรรเสริญในความดีงามของตนของการมีศีลนี่เองดังนั้น เบื้องต้นเราต้องเริ่มต้นที่การรักษามนุษยทรัพย์ให้ได้ก่อนด้วยการรักษาสินห้าพยายามรักษาให้มากเบื้องต้นล้วถ้าเรายังรักษาไม่ได้ตลอดเวลาก็ลองมารักษาวันที่เราสะดวกเช่นวันที่เราไม่ทำงานวันพระอย่างนี้วันพระมาถึงสินห้ากันอย่างให้มันครบเลยไม่เดินเวรายามาท่า ถ้ายังติดสลายาเมาดื่นสลาก็ต้องมาเลิกดื่นสลายถ้าชาบพูดโกหกพูดเพอเจ้ออะไรต่างก็มาหยุดการพูดเหล่านี้มาฝึกเบื้องต้นอาจจะทำอาทิตย์ละวันก่อนรักษาสินห้ายัางครบช่วนบริบูรณ์แล้วต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันหรือว่าถ้ารักษาสินห้าไม่ครบรักษาได้สี่ข้อก็รักษาไปสี่ข้อก่อนหรือสามข้อก่อนก็ได้ ก็ดีกว่าไม่ได้รักษาเลย mm hmm. ต้องมีการมีจุดเริ่มต้นของการรักษาสิ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่ทำไม่ได้เพียง mm hmm. แต่ว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทำจีเดียวครบทั้งห้าข้อ mm hmm. เราก็เริ่มทำข้อที่เราทำได้ง่ายไปก่อน mm hmm. แล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถทำได้ทุกข้อและทำได้ทุกวันเพราะเราถามารรักษาสิ่ได้ทุกข้อ ทำได้ทุกวันโอกาสที่เราจะต้องไปใช้กรรมในอบายก็จะแทบจะไม่มีเลย mm hmm. เราถ้าตายไปถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญทำทานตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีเลย mm hmm. แต่ถ้าเราอยากจะไปสูงกว่า mm hmm. การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. เราอยากจะไป mm hmm. ไปสู่มรักผลวิภานไปสู่การหลุดพ้นจากการเวีนว่าตายเกิด mm hmm. เราก็ต้องสร้างทรัพย์ชั้นที่สองคือเทวทรัพย์ ด้วยการพยายามทำบุญทำทานให้มากเท่าไหร่ยิ่งได้ยิ่งดียิ่งได้มากก็ยิ่งยิ่งได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆทําให้เราใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆ<ม>ทําบุญทําทานเงินทองที่หามาได้หลังจากที่เก็บไว้สําหรับใช้เลี้ยงดูร่างกายพอเพียงแล้วส่วนที่เหลือก็แล้วแต่จะเอาไปทํามากน้อยเพียงไรถ้าอยากจะไปถึงนิพพานได้เร็วก็ต้องทํามากๆมีเท่าไหร่ก็ทําไปให้หมดเลย ยกตัวอย่างอย่างพระเวสสันดรนี้ท่านก็ทำบุญทําทานอย่างเต็มที่มีอะไรใครอยากจะได้อะไรเดือดร้อนขอมาก็ยินดีช่วยเหลือตลอดเยูละตายไปท่านก็ไปเกิดเป็นไปเกิดเป็นเป็นเทวดาก่อนหลังจากนั้นก็ลงจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วในที่สุดก็ได้มาตัดทรุเป็นพระพุทธเจ้าตามลาดับต่อไป นี่ก็อายอำนาจของฐานที่ได้สร้างไว้อำนาจของศีลที่ได้รักษาไว้แล้วก็อำนาจของการเจริญพรมารัพย์ก็คือรักษาศีลแปดแล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นทรัพย์ขั้นต่อไปหลังจากที่เราได้เทระซั์แล้วเราทําบุญทําทานไม่มีแล้วเราก็หาไปหาเวลาไปฝึกสตินั่งสมาธิ ไปปฏิบัติธรรมตามวัดป่าวัดเขาต่างๆเพื่อสร้างพรหมาทรัพย์ขึ้นมา ป, ปกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจให้สงบพอใจสงบใจก็เข้าสู่ระดับของพรหมาทรัพย์เมื่ออยู่ถึงระดับพรหมาทรัพย์ก็สามารถก้าวขั้นต่อไปได้เข้าสู่ขั้นอริยทรัพย์หรือโลกุตระทรัพย์ได้ต่อไปด้วยการเจริญปัญญาปัญญาที่ต้องเรียนรู้ก็คืออริยสัจสี่และไตรลักษณ์นี่ ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นร่างกายก็ดีจะเป็นทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆก็ดี<ม>ล้วนๆเป็นของไม่เที่ยงลาบยศเสริญสุขนี่เป็นของไม่เที่ยงถ้าไปอยากได้หรือถ้าได้มาแล้วก็จะทาให้เสียใจทุกใจเวลาที่ต้องสูญเสียไป ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจสูญเสียใจไม่อยากจะร้องโหย้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียสิ่งที่เรารักเราชอบไปก็ต้องตัดใจอย่าไปอย่าไปรักไปชอบสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นเหมือนกองไฟอย่างอยากไปเข้าใกล้เข้าไปในเข้าเข้าไปในกองไฟแล้วก็จะถูกไฟเผาไม่ช้าก็เร็วถ้าไปหาความสุขจากลาดยศสารสสุข หาความสุขโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือวันใดวันหนึ่งก็จะต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนเพราะราบยศสารเสริญสุขที่หามาได้มันก็เป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเวลาเกิดความเสื่อมเกิดความหมดไปก็เกิดความเสียใจเศร้าใจร่างกายที่ใช้เป็นเครื่องมือหาลาบยศสารเสริญสุขก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเราก็ต้องพยายามละความอยากเหล่านี้เพราะความอยากเหล่านี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราอยากจะมีร่างกายแล้วก็ไม่อยากจะให้ร่างกายของเราแก่ไม่อยากให้ร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ปวดไม่อยากให้ร่างกายของเราตายแต่เราก็ห้าม ธรรมชาตินี้ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนหนึ่งเป็นเหมือนลมพัดฝนตกแดดออกนไม่มีตัวตนมาบังคับมาสั่งให้ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกมันมีเหตุมีปัจจัยทําให้ฝนตกแดดออกชั้นใดร่างกายก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันแก่มันเจ็บมันตายฉันนั้นไม่มีใครมาควบคุม บ, คบังคับมาห้ามมันได้ ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือการเห็นอรยิยสัจสี่เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆของใจไปกับสิ่งที่เราไปสัไม่สามารถไปสั่งมันให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้นนเราต้องพยายามหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจอ น, นี่ก็คือการใช้ปัญญามองให้เห็นสิ่งต่างๆที่จะทาให มองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่จะทําให้เราตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ <S <S นะแล้วถ้าเราสามารถใช้ปัญญาตัดความอยากต่างๆเพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ล้วนเป็นไตลรลักษณ์ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเลิกความอยากได้ไม่มีความอยากได้อะไรติดต่อไปเมื่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา เรียกว่าเป็ น, น, นภาพนิพพานขึ้นมาเป็นนิพพานขึน้นมานิพพานคือใจที่สงบสงัดปราศ จ, จากความอยากต่างๆเป็นใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุ ข, ขังนิบานังปรมังสุ ข, ขังเมื่อใจมีความสุขตลอดเวลาไม่มีความอยากได้อะไรใจก็เลยไม่มีการที่จะต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปไม่ต้องมามีร่างกายเพื่อใช้ร่างกายไปหาความสุขจากโลกกระทำจากลาภยศสารเสริญสุข หรือใช้ร่างกายไปหาความสุขจากการเข้าเข้ารูปประชานหรือเข้าอารูปประชานราความสุขเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้กฎของตายรักเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตายอยู่ถ้าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เวลาสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้ก็หายไปสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความเสียใจความเศร้าใจถ้าเราไม่อยากจะเศร้าใจไม่อยากจะเสียใจ ให้เราหัดอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราดีกว่าอยู่กับใจที่นิ่งเฉยปราศจากความอยากการนิ่งเฉยก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงจะทำให้ใจนิ่งเฉยแบบไม่มีทุกข์ได้ถ้ายังไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเวลาที่เรานิ่งเฉยกับความอยากนี่เราจะรู้สึกทรมานมากเพราะว่าเราไม่ได้ไปหยุดความอยากนั่นเองเพราะไม่มีกาลังที่จะหยุดความอยาก จะนิ่งเฉยแล้วหยุดความอยากได้นี่จำเป็นจะต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาเมื่อมีสติมีสมาธิปัญญาเวลาเกิดความอยากเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้ไม่เดือดร้อนไม่หิวไม่อยากกับอะไรเห็นไม่อยากเป็นอยากมีไม่อยากร่ำ อ, อยากรวยไม่อยากอยู่ไปตลอดจะ ต, ตายเมื่อ ไ, ไหร่ก็ยินดีจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ก็ยินดี จะตายเมื่อไหร่จะแก่เมื่อไหร่ก็ยินดีเพราะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากก็เหมือนทั้งนี้อง น, นีนี่คือการสร้างโลกกตระทรัพย์หลังจากที่เราได้พรหมทรัพย์แล้วกอได้รูปปัจานหรืออรู ป, ประชานแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเจริญทางปัญญามาศึกษาความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงที่ อยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมันเป็นทุกขังก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากได้มันมาเหมือนกับมันเป็นไฟเนี่ยใครอยากจะเอาไฟมาไว้ในบ้านมาเมื่อร่วมเป็นไฟเราก็อย่าไปเอาไฟมาเข้าบ้านเราบ้านเราก็คือใจของเราถ้าเราสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาเป็นสมบัติของเราก็เท่ากับเอาเอาความทุกข์มาเข้ามาในใจของเรานั่นเอง เราต้องศึกษามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหลงรักหลงชอบว่าจะให้ความสุขกับเรานี้ความจริงแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกพ่อมันเป็นของชั่วคราวเพ่อมันเป็นของของที่ไม่ถาวรเป็นของที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงต้องมีการพัดภาคจากกันถ้าเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาแล้วก็จะหยุดความอยากได้เมื่อหยุดความอยากได้ก็จะหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ หยุดความทุกข์ที่เกิดจากการมีสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ทุกข์ก็จะไม่มีต่อไปกับใจของผู้ที่มีสติมีปัญญาที่มองเห็นอริยสัจสีมองเห็นใจรักและสามารถยับยั้งตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนั้นก็คือความอยากต่างๆนี่นี่คือทัพย์ขั้นสูงสุดจําเป็นที่จะต้องมีทั้งต้องมีพรหมทรัพย์ก่อนต้องมี เทวาทราบก่อนต้องมีมนุษยญาทราบก่อนถึงจะขึ้นไปสู่ทราบอันสูงสุดนี้ได้เหมือนกับการเรียนเรียนหนังสือต้องเรียนจากขั้นอนุบาลไปสู่ขั้นปถมขั้นสูงมัธยมขั้นอุดมศึกษาถึงจะได้รับปริญญาตรีโทเอกได้เ mm hmm. บื้องต้นเราก็ต้องเข้าสู่ชั้นอนุบาลด้วยการรักษาศี่ห้ารักษามนุษยญาทราบไว้แล้วก็เติมด้วยทานทำบุญทำทานเพื่อให้ได้เทวาทรา์ที่สูงกว่า ระดับของมนุษยทรัพย์แล้วพอได้เทวทรัพย์แล้วเราก็ไปสร้างพรหมทรัพย์ต่อไปด้วยการไปถือศีลแปดหรือศีลของนักบวชไปบวชก็ได้แล้วก็ไปฝึกสตินั่งสมาธิจนได้พรหมทรัพย์หลังจากได้พรหมทรัพย์แล้วเราก็มาสร้างปัญญาเพื่อให้ได้เกิดโลคุตรทรัพย์ขึ้นเพราะปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้อย่างถาวร ทรัพย์อย่างอื่นโลกคย์ทรัพนี้หยุดแบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวพอกําลังที่หยุดความอยากเหล่านี้อ่อนกําลังลงความอยากก็จะผลขึ้นมาใหม่แต่แต่ถ้าหยุดด้วยปัญญานี้ปัญญาจะไม่มีวันอ่อนไม่มีวันอ่อนลงปัญญาจะเป็นปัญญาอย่างถาวรจะรู้ทันความอยากรู้ทันทุกเสมอ ร, รู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จึงไม่ทําให้เกิดความอยากสาหรับผู้ที่มีปัญญาอยู่ในใจต่อไปนี่คือทรัพย์ภายในที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราชาวพุทธเรามาสร้างกันอย่าไปหลงสร้างทรัพย์ภายนอกเพราะเป็นทรัพย์ชั่วคราวตายไปก็จบหมดสิ้นไปแต่ทรัพย์ภายในนี้เราเอาไปต่อได้แล้วก็ไปต่อเติมไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงทรัพย์ขั้นสูงสุดได้แล้วเราก็จะได้เป็นเศรษฐีที่แท้จริงมีทรัพย์อยู่ภายใ น, ในใจเราตลอดเวลา ให้ความสุดกับเราไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดนี่ก็คือธรรมะที่จะมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พ่อยะทาวาริวาหาปูราตาริปูเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเตตาังอุปการปฏิยติตังปฏิตังตุมหังคิดเมวะสมิจตุสัพเพปุเรงตุสังกปาดันโทปนาวะโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโวินักสตุ มาเตภวะตวันตาวายุสุขิทีคายุโกภวะอภิวาทานสิลิะมิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมมวะทานเตอายุวโนโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกต่อการถามตอบคําถามพอหลังจากเลิกแล้วจะมีการกระทําการเคลื่อนไหวต่างๆจะไม่สงบพอที่จะคุยกันให้รู้เรื่องดังนั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะบอกชื่อก็เขียนว่าไม่ประสงค์ออกนนามก็ได้หรือว่าคิดใส่ เข็นนข้อความส่งเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่อาให้ฟังก็ได้ อ, อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังธรรมาหน้ากุธจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ501ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 354 YouTube Dr. V Channel 62คลับ House 4วิทยุออนไลน์9นากุธ155รวมทั้งหมด 1,085 ท่านค่ ะ, ะฉัญถามได้เล ย, ยสองแม่กคว หนูมีเรื่องโอ้โวยใจใจเลยรำรงหนูมีเรื่องทุกใจอะค่ะเมื่อวันเมื่อวันที่หนึ่งเมื่อวันที่หนึ่งหนูขี่รถไปด้วยความที่ว่าจะไปทำงานหลังจากที่ขาหายดีมีมีรถ ที่เข้ามาข้างหลังเขาเบียดแล้วชนเราเลยแล้วก็คือไปเลยจังหวะที่หนูจังหวะที่หนูเห็นรถเข้าไปอะคือเขาไม่เหลียวหลังมาเลยนะไ ม, ไม่ไม่มีแม้แต่ชะรอเลยค่ะจังหวะนั้น่ะ่ะแขนขวาหนู่ามันบิดผิดรูปก็คือไหล่หลุดจังหวะนั้นอะหนูคิดอย่างเดียวว่าเปิดเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวร ถ้านะตอนนั้นน่ะหนูบอกเขาไปว่าหนูเอาวโหสินับจากนี้เ่ิงแล้วต่อกันขุดเอาคืนแล้วแล้วเราให้ไปถ้าคิดแบบนี้ถ้าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเราคิดแบบนี้มันถูกไหมครับอาจารย์ก็ถูกครึ่งเดียวเพราะว่าอาจจะยังไม่หมดก็ได้คือเพราะยังเอาไปไม่หมดก็ได้ คิดว่าอยากจะได้เท่าไหร่มาเอาให้หมดไปเล ย, ยใช่ดูดูม า, ากดูบอกไว้อย่างได้เท่าไหร่เอาไปเลยอได้อยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยถ้าครั้งนี้ไม่พอครั้งหน้ามาเอาอีกได้ <c oughs> มันถึงจะหมดใจเราจะได้สบายได้ถ้าเราบอกบอกว่าขอให้ครั้งนี้หมดแต่เขายังไม่ยอมหมดเราจะทํำยังไงใช่ไหมก็ต้องปล่อยเขาไปดูดูพระโกคาลาน่าเขายอมตายเข้าใจค่ะแต่แล้วก็ทิด หนูบอกกับตัวเองว่าหนูหยากตายไม่ได้หนูอยากลบไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องทุกต่อไปถ้ายอมตายได้ก็ไม่ทุกข์ก็ต้องตายอยู่ดีไม่ว่าใครก็จะเกิดมาแล้วใช่แต่หนูตายหนูหนูอาจฉันไม่สบายใจตรงที่ว่าหนูยังมีคนข้างหลังรออยเออไม่ต้องไปกังวลกับเขาหรอกเดี๋ยวเขาอยู่ง้องไปได้เราไม่ไม่เราไม่มีเขาก็อยู่ได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็คอยตามเราแล้วนะ เราไม่ต้องกังวลเรื่องของคนอื่นตอนนี้กังวลแต่เรื่องตัวเราก่อนแก้ปัญหาตัวของเราให้ได้ก่อนทําใจของเราอย่าให้ไปทุกข์กับมันให้ได้ก่อนก็ยอมตายไม่ได้เรื่องอะไรจะตายเรือ่องจะยอมตายเรื่องเจ็บหนูไหมเท่าไหร่แต่หนูเป็นเสาหลักของบ้านคนเดียวที่หนูต้องทํางานแล้วหาหาเข้าบ้านทีนี้หนูไปทํางานไม่ได้แขนเจ็บขาก็ยังเจ็บอีกเจ็บซ้ําเข้าไปอีก มันก็เหมือนกับทุกอย่างอะ่ปะป้านางเข้ามาหาหนูหมดเลยอะ่ะลูกไปโรงเรียนไม่ได้พอหนูขี่รถไปส่งไม่ได้ขนโตนต้องเดินไ ป, ไปใกล้ๆาันนี้เนี่ยก็จะมีค่าเถอมค่าบ้านก็นมาแล้ววันพรุ่งนี้หนูยังหาไม่ได้เลยยอมเถอะยอมหยุดเย็น ยอมรับกรรมอยู่ต่อสู้กับกรรมน้องใจเราก็จะเย็นอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้อะไรจะเกิดก็ยอมให้มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิทยามันก็มีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาดูที่นักที่อาจารย์ว่าแต่บางทีดูรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นเราอะไรแบบนี้คะก็เรามาเกิดเนี่ยใครใครมาเกิดก็ต้องเป็นทั้งนั้นอ่ะไม่มากก็ น, น้อย อย่าเกิดพยายามหยุดการเกิดให้ได้ถ้าเกิดแล้วก็ต้องทุกเนี่ยไม่ทุกแบบนะก็ต้องทุกแบบเลงทุกคนตั้งแต่สูงสุดเรามาต่ำสุดเนต้องเจอความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามาเกิดนะงั้นอย่าไปปฏิเสธความทุกข์ยอมรับความทุกข์แล้วใจจะไม่ทุกข์ก็มันใจจะเย็นเข้าใจนะไปฝึกพุโทโธทําใจให้นิ่งให้สงบอย่าไปคิดอะไรให้มัน ให้มันทุกข์ใจไปเปล่าๆอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดไปอ๋อท่านนี้ก่อนนะ่ยมีคําถามอะไรหต้องถามตอ่อ ม, ม, มีมีค่าวพาบอีกข่าวหนึ่งค่ะดูเหตุเขาทะเลาะกันผ่านโซเชียลนานละยุงอะ่ะมากินเลือดเรา อ, ะะอะะา่ะเราตกอ่ะเราบาดไปถ้า่ามันมันก็บาดมันกินเลือดเรามันก็บาดมันทํายเนมันก็ขโมยเลือดเราไปกินเนี่ย ังก็บาปด้วยกันทั้งคู่สรุปคือบาปทั้งคู่<ต>ใช่ไหมแล้วก็อยาาทำเลยแล้วก็อยากขวยให้มันกินไปเที่ยเราพอจากไปทำบุญต่างๆไปเราก็ได้บุญท่านนี้ได้บาปแล้วก็ได้บุญแนทนท่านนั้นเองมันกินหนเดียวมันหนีแล้วมันก็ไม่กลับมากินอะไรอีกแล้ว้<พ>าเพื่อน <พา S 1> กลับมากินอีกแหรอค ะ, อะมันมันคนยังไม่รู้เรื่องแบบพวกนี้ <c oughs> <c oughs> ถ้ามาก็ดีจะได้บริจาค เ, เยอะๆจะได้มุนเยอะ <c oughs> เราเราน่าจะเป็นโลคใครนั้อออกก่อนนะคะอาจารย์เป็นเป้เวชสันดอนก่อน <c oughs> เป็นเม้เวชสันดอนก่อนเอางะเดี๋ยวมีคำถามของคนอื่น่อยอมหยุดเย็นแล้วจะสบายใจครับท่า คำถามจากผู้รับฟังน่ากลดค่ะขอขออุบายในการต่อสู้กับเวทนาครับบางทีนั่งสมาธิ น, น, นานบริกรรมพุโทโธไปแต่มันปวดมากๆก็ไม่สามารถสู้ได้ขอบคุณครับสู้ก็ต้องพุโทโธต่อไปหรือก็เปลี่ยนมาส ว, วดบทอิปิโสไปก็ได้สวดใจให้อยู่กับการสวดอย่าไปคิดถึงเวทนาเดี๋ยวใจก็จะสงบแล้วก็จะไม่ทุกข์กับเวทนา คำถามจะพูดเราฟังทางบ้านค่ะในตอนนั่งสมาธิพอเริ่มสงบจิตเริ่มนิ่งเริ่มเห็นเป็นดวงกลมๆนิ่งๆพอเพ่งก็จะขยายใหญ่ขึ้นณนะตอนนั้นจิตเหมือนจะเริ่มติดสุขอยากรู้อยากเห็นแต่พอดีมีสติจึงออกมาจากดวงกลมๆนั้นได้ครับอย่าไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นเวลาภาวนาให้ภาวนาของเราไปเรื่อยๆ ถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาจะทําทให้เราหลงทางและจะทําทให้เราไม่ไปไม่ถึงสู่ความสงบได้คําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ คนใกล้ตัวมักจะพูดและกระทำให้เราเจ็บช้าน้ําใจบ่อยๆทั้งทั้ๆ ท, ท, ที่เราก็มีพรหมวิหารสีให้เขาเสมออยากเรียนถามว่าถ้าเวลาเราทําบุญใดๆและอธิษฐานในใจหรือกรวดน้ําขอส่งบุญที่ทํานี้ให้เขาทุกครั้งเขาจะได้รับและมีความสุขที่ดีขึ้นต่อเราไหมคะก็เราต้องทําบุญกับเขาโดยตรงเช่นซื้อกับข้าวมาให้เขากินอาบน้ําอาบท่าให้กับเขาทำอะไรให้เขามีความสุข เ, เขาก็จะไม่โกรธเราไม่เกลียดเราคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเรารู้สึกเบื่อชีวิต <c oughs> ต้องการหาแก่นแท้ในชีวิตมีคำแนะนำให้หลุดพ้นเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างคะไปบวชใช่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเบื่อชีวิตก็ไปบวดได้แนละ้วถึงเวลาแนละ้วค่ะคำถาม <c oughs> คาถามจากคุณจรัญญาค่ะปัจจุบัน <c oughs> ปัจจุบันยมเห็นว่าร่างกายนี้มีความทุกข์ต้องบำบัดความทุกข์ของร่างกายตลอดเวลาถ้าไม่บำบัดไม่แก้ไขก็จะอยู่ไม่ได้เช่นต้องดื่มน้ําต้องทานข้าวต้องอาบน้ําเพื่อทําความสะอาดที่ร่างกายต้องทุกข์เพราะว่าเขาไม่มีอยู่จริงเขาเกิดจากการรวมกันของธาตุสีซึ่งเป็นของชั่วคราวไม่มั่นคงและสุดท้ายธาตุทั้งสีก็จะแตกแยก ซึ่งนั่นมั่นคงที่สุดไม่แปรเปลี่ยนอีกแล้วคือธาตุอยู่ตามธรรมชาติของธาตุนั้นยมเข้าใจถูกต้องแล้วไหมเจ้าคะ่ะถูกต้องแล้วร่างกายของเราทําจากธาตุสี่ลิ้นน้ําลงไปวันหนึ่งก็ต้องแยกตัวออกจากกันไปร่างกายของเราก็จะหายไปคำถามจากทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะกรรมฐานตัดพพตัดชาติได้อย่างไรคะก็ไปตัดความอย่ากไงถ้ามีกรรมฐาน เห็ น, นกสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายก็จะไม่มีความอยากจะเสพการกับใครก็จะตัดทบตัดชาติได้กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ทำให้เราละความอยากต่างๆได้คำถามจากทางยู u ูบด็อกตอร์ค่ะเมื่อก่อนยังไม่มีหลักปฏิบตัติพอฟังธรรมที่พระอาจารย์แสดงแล้วนำไปปฏิบัติ ทำให้คิดถูกทางใจก็เบาสงบไปตามลำดบับผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วถ้าใจสงบก็ท่าเขาแสดงว่าใบถูกทางแล้ยยังไม่มีคำถามค่ะมีกายะจะถามเนี่ยเข้ามาเพินเข้ามาเน่อยได้ส่งไปให้ทายทายผู้ชายข้างหลัง น, นี้ฮัลโหลครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับ มีเรื่องจะถามพระอาจารย์สักสักหนึ่งข้อครับคพรผูมผมเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรครับถ้ามีลูกน้องอยู่จำนวนหนึ่งที่ชอบสร้างความแตกแยกในองค์กรกล่าวเท็จทุจริตเป็นนิสัยทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเดือดร้อนกันทั่วหน้าเคยได้เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วให้ภัยแล้วก็ยังมีพฤติกรรมแบบเดิ ม, มคนลักษณะนี้ต้องจัดการยังไงครับเพอให้เขาเออกจากองค์กรไป เหมือนพระมาบวชแล้วถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของของพะก็ต้องถูกจับสึกไปอันนี้ไม่เป็นการทำบาปแต่อย่างใดถ้ามีเหตุมีผลไม่ได้ทำด้วยอคติไม่ได้ทำเพราะความชางังความเกลียดอะไรแต่เพราะว่าเป็นการรักษาองค์กรให้ตั้งอยู่ต่อไปเป็นไปตามกฎตามระเบียบต่างๆเราก็สามารถเชิญพ่อได้ดให้เขาดีๆแล้วก็อาจจะให้ค่าชดเชยบ้างพจะได้ไม่ ไม่เดียดร้อนมากจนเกินไปหรือให้เวลาเขาสักเดืนอนหนึ่งอะไรก่อนก็ได้หรือไม่เะนนั้นก็ให้ให้เงินไปกอเขาจะได้มีเวลาไปหางานใหม่ทำต่อไปได้มาแล้วเหรอม่ีทาช่วยมีท่านผู้หญิงข้างหลังอ่ากลับขอกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าคำถามแรกคืออยากให้พระอาจารย์ให้คำแนะนำในฐานะ เริ่มปฏิบัติใหม่อะคะ่ะในเรื่องของการเดินจงกรมว่าเราควรเดินจงกรมแบบช้าหรือเดินแบบเร็วอะคะ่ะการเดินนี้ช้าเร็วไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญสําคัญอยู่ว่ามีสติหรือไม่มีสติดังั้นเราเดินเราต้องมีพุทโธพุทโธพุทโธคอยห้ามความคิดอยู่เรื่อยๆหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องดูการเคลื่อนไหวของเท้าเราซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อให้ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นส่วนจะเดินช้าเดินเร็วก็ขึ้นอยู่กับ เหตุการณ์ถ้าง่วงนอนก็อาจจะเดินให้มันเร็วหน่อยถ้าไม่ง่วงนอนก็เดินแบบสบายสบายไปก็ได้แล้วแต่เราสามารถปรับได้ตามความจำเป็นตามความต้องการเจ้าค่ะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามที่สองเจ้าค่ะถ้าเกิดอย่างวันหยุดทำงานสองอาทิตย์หนูมาถวายจังหันตอนเช้าและพอจบจากพิธีกรรมตรงนั้นแล้วเนี่ยอยากจะอยู่นั่งสมาธิเดินจงกรมในวัดต่อสามารถปฏิบัติได้บริเวณไหนบ้างเจ้าคะได้บริเวณวัดก็มี ท, ที่ที่พอเราจะหาศาลาบางแห่งก็ไม่ค่อยมีคนทุกข์ขันก็เข้าไปนั่งสมาธิในศาลาเหล่านั้นก็ได้ ถ้าจะอยู่ค้างคืนก็ไปจองที่พักที่สำนักงานได้เขามีที่พักให้เราอยู่ได้ครับขอบคุณเจ้าค่ะคําถามจากทาง facebook ค่ะการที่เราสอนลูกแล้วเขาเถียงพูดไม่ดีใส่อารมณ์กับเราทําให้เรารู้สึกไม่ดีเราเลยปล่อยวางไม่สอนทําแบบนี้ถูกไหมคะเราจะผิดไหมคะที่ไม่สอนลูกผิดถ้เราไม่สอนเขาก็ผิด เวลาสอนเขานี้เราต้องรู้จักการรัเทคร่รู้ว่าตอนนั้นเขาพร้อมที่จะรักคําสอนของเราหรือไม่อย่าไปสอนตอนที่เขากําลังโกรธเรากาลังโมโหเรารอให้เขาสงบก่อนให้เขาใจดีก่อนให้เขากลับมารักเราก่อนแล้วเร า, เาพูดดีๆกับเขาว่าอย่าทำอย่างนี้นย่าทำานี้นะลูกนะทำแล้วจะเกิดทางเสียหายหตามมา ฉันต้องดูการรับทศะการสั่งสอนใครต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะรับฟังหรือไม่ในตอนนั้นถ้าเขาไม่พร้อมว่าอย่าไปสอนให้เสียเวลาแล้วจะทําให้เราเสียใจทําให้เราโกรธขึ้นมาว่างแต่ต้องสอนพ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนลูกไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนต่อไปเวลาลูกโตขึ้นไปทํำผิดเขาจะไม่โทษเด็กเขาจะโทษพ่อแม่เด็กคนนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอน เขาแม่ต้องสั่งสอนให้เขารู้เผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เชื่อแต่ถ้าสั่งสอนแล้วเขาไม่ทำตามนั้นนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วละห้าำไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้ไมไดไดหมดแล้วเหรอใช <Okay. S 2> ่จัดที่เมื่อวานพระอาจารย์เทศนะคะหนูสงสัยว่าอินทรีห้ากับพละรา 5, มันต่างกันยังไงเนยในแง่ของการปฏิบัติใช่ค่ะก็ความเข้มข้นไง มน้ำส้มอียี่บ้าปอร์เซ็นกับร้อยเปอเซ็นต์ไหมถ้าอทียห้าก็น้ำส้มที่ผสมน้ำเจ็ดสิห้าอร์เซ็นตัวน้ำส้มยี่สิห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้าน้ำสมเข้มข้นก็มีแต่น้ำส้มไม่ผสมอะไรเลยเนี่ยเป็นพลหฮาส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับอาริยานะคนที่ยาไปสุราีายยาค น, น้่องจะมีพลาฮาแต่นี้ไปถึงขั้นนั้นได้ คำถามจากทาง facebook ค่ะการเลิอกอยากเป็นคำตอบสุดท้ายในการหมดทุกข์ใช่ไหมครับการอะไรนะการเลิอกอยากนะคะการไม่มีความอยากใช่การหยุดความอยากเป็นการแก้ปัญหาเพราะปัญหาทั้งหมดเกิดมาจากความอยากนี้เท่านั้นเองพออยากแล้วก็มาเกิดพอมาเกิดก็อยากน้อยนู่นได้นีน่นต่อพอไม่ได้ก็เป็นปัญหาขึ้นมา ถ้าหยุดความอยากไม่มีความอยากก็สบายอยู่ที่ไหนทําอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกใครยินดีตามมีตามเกิดไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายก็ตายไปไม่มีปัญหาคําถามจากทางเฟซบ o ๊กค่ะการปฏิบัติ ถ้าต้องการเป็นพระโสดาบันหากปฏิบัติหากตอนนี้ยังไม่ก้าวหน้าแต่เรามีความเพียรพิจารณาจิตและร่างกายเป็นตัวทุกข์และเดินจงกรมกับนั่งสมาธิภาวนาทุกๆวันเราจะมีความหวังผลได้ไหมคะก็ต้องทําเป็นขั้นตอนก่อนขั้นแรกก็คือพยายามมีสติอยู่ตลอดเวลามีสติแล้วนั่งสมาธิจิตก็ต้องสงบนิ่งได้นานสงบได้นานปล่อยวางได้นาน พอมีสติมีสมาธิแล้วก็มาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาร่างกายว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ของเรามันต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาถ้ายอมให้มันแก่อยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายได้ก็จะบรรลุได้ยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีค่ะใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็ขอยุติการสันนาธรรมไว้เพียงเท่านี้